กลางสายตาอันจ้องตะลึงอกสันขวัญแขวนของทุกคนร่างของใครคนหนึ่งพุ่งปราดออกมาจากโคนไม้ใหญ่ริมเต็นวิ่งออกไปสกัดหน้าช้างป่าตกมันตัวนั้นก่อนที่มันจะเหยียบย่าทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ครอบคุมของผ้าเต็นซึ่งหล่นลงมากลางคล่อมดินเสียงตวาดก้องดังมาจากร่างที่ปราดออกมาขวางหน้าในระยะห่างเพียงไม่เกิน1ิก้าวนั้นเจ้าช้างชะงักกึ้นงงอย่างกระทันหันเพราะเสียงตวาดและพิษตานั้นเอง ไรเซนในมือก็ประทับขึ้นพร้อมกับเสียงกระสุนระเบิดกึกก้องเป็นการยิงประจันหน้าในระยะเผาขนภายหลังเสียงตะหวาดให้ชะงักสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยสายเลือดอันเย็นเฉียบแทบจะจับเป็นก้อนด้วยความตื่นตกใจก็คือช้างตกมันตัวนั้นคู้เข่าหน้าหวบลงกับพื้นราวกับถูกเป่าด้วยมนสกดส่งเสียงร้องโอกในลาคอแหบยาวแล้วก็ค่อยๆล้มตะแคงลงเหยียดยาวสงบนิ่ง หมดลมหายใจหมดดิฟอยู่ตรงนั้นเองใครคนนั้นก็คือแง่ทรายดารินกับลูกหาบทุกคนวิน่งพลูกันเข้ามาในขณะเดียวกันกับที่ชายยันลุกขึ้นจากการถูกผ้าเต็นผ่านขาอยู่โดยมีใครต่อใครหลายคนช่วยกระชากผ้าเต็นออกและประยุงเขาขึ้นชายโด่งด้านที่ช้างตัวนั้นโปรดตะลุยเข้ามาบัดนี้บุญคําจันทร์และพวกลูกหาบที่ออกไปหาฟืน ก็พากันวิ่งกระหืดกระหอบโผลกตรงเข้ามาทุกคนอยู่ในการตื่นเต้นตระนกตกใจร้องถามกันลั่นไปทั้งบริเวณปางพักระพินกับเชษฐานั้นระหว่างเกิดเหตุทั้งสองเดินเข้ามาใกล้บริเวณปางพักไม่ถึง100เมตรต่างได้ยินเสียงปืนและเสียงช้างร้องตลอดจนสรรพสำเนียงโกรหอนอนร ม, มานที่แคมป์อย่างถนัดพรานใหญ่กับหัวหน้าคณะเดินทางไม่ได้พูดคำดํำใดกันอีกเลย หันมาจ้องหน้ากันแล้วก็ออกวิ่งตรงมายังบริเวณแคมด้วยเร็วชนิดแข่งกับเวลาทั้งสองมาถึงได้ไเผชิญเหตุการณ์ในเวลาทันควันสดสดร้อนๆ้อนระหว่างที่พวกอยู่ในแคมกําลังมุงอยู่ที่ซากช้างและพูดกันเอะอะลั่นภายหลังจากการสอบซักอยู่ครู่เดียวทั้งพรานใหญ่และเชษฐาก็ไปติดไปต่อเรื่องราวได้ถูกหมดทุกอย่างช้างตัวนี้ได้ไเผชิญหน้าอย่างกระทันหันกับบุญคําจันทร์และพวกลูกหาบที่ออกไปหาฟืนก่อน เสียงปืนครั้งแรกที่ได้ยินเป็นเสียงปืนที่พวกของบุญคำระดมยิงมันไล่ตะลุยฝ่าเข้ามากลางแคมป์และมาพบจุดจบด้วยมือของแง่ทรา ย, ายที่สติดีกว่าทุกคนในขณะนั้นก่อนที่คนใดคนหนึ่งในแคมป์จะต้องเสียชีวิตลงพอพิจนาเห็นซากช้าง ส, สีดอตัวนั้นได้ถนัดตาเชษฐาก็ตะลึงเพราะปรากฏว่า มันเป็นช้างตัวเดียวกับที่เราพินนําเขาคารานเข้าไปแอบดูมันยืนพิงต้นไม้พักอยู่เมื่อตอนบ่ายนี้เองไอหงากุดตัวนี้เองทั้งฉันและเราพินอุสาลีกเรียงไม่ยิงมันแล้วทีเดียวยังแส่มหาที่ตายเข้าจนได้เชิฐาครางออกมาพร้อมกับจุ๊ ป, ปากกลั่นเมื่อปรากฏว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอันตรายใดๆทั้งสิน้น นอกจากเข้าของในเต็นต์รถเกวียนคันหนึ่งถูกเหยียบหักเสียหายเล็กน้อยระเพียรและเชษฐาก็ถอนใจออกมาอย่างร่องอกทุกสายตาในขณะ น, นี้เปลี่ยนไปจับอยู่ที่หนุ่มเกระเหลี่ยงผนจรผู้ลึกลับราคนั้นยืนสงบนิ่งอยู่ในอาการปกติไม่ยินดียินร้ายใดๆทั้งสิ้นทอดสายตาเฉยเมยจับอยู่ที่ซากช้างซึ่งบัดนี้กองเป็นภูเขาเหล่ากาอยู่ใจกลางปางพักใกล้กับบริเวณกระโจมของคณะนายจ้าง ซึ่งขาดลงมาคลุมกองอยู่กับพื้นเชษดาเดินเข้าไปตบไหล่หนักๆแกพิสูจน์คุณค่าตัวเองของแกให้เราเห็นชัดขึ้นทุกวันไม่เสียแรงเลยที่เรารับแกไว้ในการเดินทางครั้งนี้แง่า ย, ายแกเป็นคนมีค่าเกินกว่าที่ฉันคิดไว้อดีตนายทหารกองโจรกะเลียงผู้มาสมัครเป็นคนใช้ไม่ได้เอ่ยคำใดทั้งสิ้น นอกจากยิ้มรับคำชมนั้นน้นอยๆแล้วก็ถือปืนเดินเลี่ยงออกไปถ้าไม่ได้แง่ท า, ายคนเดียวพวกเราคงมีใครตายกันบ้างสงสัยคนแรกก็เห็นจะเป็นช ย, ยันนั่นแหละครั้งสุดท้ายที่มันกวดไล่ช ย, ยันไปติดๆพวกเราไม่มีใครถือไรเฟินอยู่เลยสักคนเดียวและกำลังเผลอตัวคิดไม่ถึงมาก่อนดาลินพูดขึ้นหอบๆ ห, หน้าของหลอนยังขาวซีด สวชายยันหวเราะกร่อยๆมองดูซากช้างแล้วโรงหัวช้าๆแล้วพีนหันไปสอบปากคำบุญคำกับจันพรานของเขาอีกครั้งด้วยสีหน้าเคร่งขรึมก็ได้ความจากคนของเขาทั้งสองว่าต่างออกไปหาฝฟืนและคิดไม่ถึงมาก่อนมีแต่เพียงปืนลูกซองติดมือไปคนระ ก, กเท่านั้นไม่ได้ถือไรเฟิลไปเพราะเห็นว่าออกไปใกล้ๆแค้มนี้เองแล้วพินสบดด่าคนของเขาพึรรมพำอย่างหุดหิด ขัดใจในความเลินเลอ่อของพลานพื้นเมืองทั้งสองภายหลังจากที่ทุกคนสังความตื่นเต้นตกใจลงแล้วรัฐผินสั่งให้พวกลูกหาบจัดการขึงเต็นที่ขาดลงมากองครอมพื้นใหม่และให้จัดการซ่อมเกลียนไล่ต้อนควายบางตัวที่แตกตื่นสะบัดเชือกขาดตะเตลิดหนีเ อ, อกไปในขณะที่ถูกช้างป่าบุกเข้ามาซ่าของช้างตัวนั้นยังกองอยู่เป็นภูเขาเร่ากากลางบริเวณแคมป์ ชนิดที่ไม่มีใครสามารถจะจัดการขยับขยายเคลื่อนย้ายมันออกไปได้กระสุนของแง่ายที่ยิงจากไรเฟิร์นจุดสามเจ็ดห้าซึ่งได้รับแจกจากคณะนายจ้างให้เป็นปืนประจำมือเจาะทะลุเนินน้ำเต้าของมันอย่างเฉียบขาดแม่นยำนั่นเป็นการหยุดมันอย่างประกาศสิบชนิดไม่ต้องซ้ำหรือปล่อยระยะเวลาให้มันทนทุกทรมานไปแม้แต่นาทีเดียวเราจะทำยังไงกับไอ้ช้างนี่ดีแง่ายยิงคว่ำนอน กองเป็นภูเ ข, ขาอยู่กลางแคมป์นี่เองเช่ฐาหันมาถามระพินอย่างขอความเห็นเห็นจะต้องปล่อยให้มันนอนคาอยู่นี่แหละครับไม่มีทางจะจัดการยังไงได้ถึงยังไงเราก็จะพักกันอยู่ที่นี่อีกคืนเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้ก็จะออกเดินทางแล้วระยะเพียงคืนนี้คืนเดียวซาของมันจะยังไม่ส่งกลิ่นรบกวนอะไรเราพรานใหญ่ดีจามองดูซาช้างอันผ น, นเทืนทึกนั้นแล้วลูกคางตอบเบา หัวหน้าคณะเดินทางพยักษหน้าบัด น, นี้ทุกคนระงับอารมณ์ลงเป็นปกติแล้วเหตุการณ์ตื่นเต้นอกสันขวัญหายมันจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่รู้เนื้อรู้ตัวและก็หายไปได้อย่างรวดเร็วสำหรับในป่าเสมอพอเรื่องอกสันขวัญกระเจิงหมดสิน้นก็กลายมาเป็นเรื่องขบขันแทนหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินหัวเราะงอหาย เมื่อบรญญายถึงเหตุการณ์ตอนที่ชายยันวิ่งหนีช้างล้มลุกคลุกคลานเข้าไปในเต็นท์ให้พี่ชายฟังภาพที่รอนเห็นว่าชวนขบขันที่สุดก็คือตอนที่เต็นท์ถูกมันกระชากขาดและร่างของชายยันถูกผ้ากระโจมพันดิ้นกุบขักอยู่ในนั้นอดีตนายทหารปืนใหญ่บนพ ร, รมหน้าเนี้ยคิ้วขมวดเขาไม่รู้สึกขบขันไปกับเพื่อนสาวด้วยเพราะเนื้อตัวถลอกปอกเปิกไปหมดและเพียงเพียงแต่อมยิ้ม ส่วนหม่อมราชุงเชษฐาปล่อยก้าวออกมาเช่นกันในการสำรวจดูข้าวของในเต็น์พบว่าไม่มีสิ่งใดเสียหายมากนักนอกจากหีบเสื้อผ้าของหม่อมราชุงหญิงดาลินหีบหนึ่งและเตียงสนามสำรองอีกเตียงหนึ่งถูกกระทือพังไปราวปืนที่ตั้งอยู่กลางเต็นต์ล้มตะแคงแต่ไม่มีปืนกร ะ, อกกระบอกไหนชำรุดเสียหายชัยยันเล่าให้ฟังว่าขณะที่เขาวิ่งเข้าไปในเต็น์เพื่อจะหยิบไรเฟิล น, นั้น มือควาจุดหกศูนในโตได้เท่านั้นเต็นต์ก็ถูกื้อกระชากหักยอดถอนโคลลงมาคลุมร่างของเขาต้องตะเกียกตะกายมุดหนีพยายามจะออกอีกด้านหนึ่งโดยไม่มีโอกาสจะหันมายิงได้กำพลงนอนหลับฝันถึงไอ้แหวงเพลินอยู่ทีเดียวชัยยันบ่นบนหัวเราะโครงหัวอยู่เช่นนั้นตกใจตื่นขึ้นเพราะเสียงปืนทีแรกนึกว่าฝันที่ไหนได้ เห็นตัวยังกะผูเขาวิ่งตรุยป่าตรงรีเข้ามาเกือบจะถึงตัวอยู่แล้วเธอไม่ได้ยินหรอกหรือตอนที่พวกเราตะโกนบอยเธอหลบที่ต้นไม้ก่อนขณะที่มันกวดไล่หลังไปติดหน้าดารินถามมาพร้อมกับหัวเราะเพื่อนหนุ่มสันสศีษะขยี้ไปจมูกได้ยินอะไรเราได้ยินแต่เสียงลมหายใจจากงวงมันเท่านั้นนะสิแล้วก็เสียงฝีตีนที่มันย่ำไล่หลังลงมาราวกับแผ่นดินจะถลม่ม จะปลุกบอกให้รู้ตัวล่วงหน้าสักนิดก็ไม่ได้โทษปลุกอะไรกันพวกเราไม่มีใครเห็นมันรู้ตัวหรือรู้ตัวมาก่อนทั้งนั้นทีแรกได้ยินเสียงปืนจากพวกของบุญคาไม่ทันจะขาดเสียงมันแปลนเข้ามาแล้วเหตุการณ์มันกระทนหานหรือเกินเธอตื่นขึ้นพร้อมๆกับที่พวกเราเห็นมันนั่นแหละก็ผมเตือนตั้งหลายครั้งแล้วนี่ครับผ่านใหญ่ขัดขึ้นยิ้มยิ้มมองดูชยยันกับดาลิน ว่าถึงแม้จะอยู่ในแคมป์ไม่ว่าเวลาไหนควรจะมีไรเฟิลใกล้มืออยู่เสมอเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรจะได้แก้ไขทันถึงว่าสิเชิาเสริมมาต้องให้เกิดเหตุการณ์จริงเป็นบทเรียนสอนไว้อย่างนี้สิ บ, บ้างคราวหลังจะได้จำขึ้นใจนี่อย่างดีนะที่เราเอาไรเฟิลให้แง่า ย, ายถือประจำตัวไวไม่งั้นเรก็ยุ่งกันใหญ่ทีเดียวแง่า ย, ายเป็นคนรอบคอบและไม่ประมาทเลย บุญคากับจันซีอีกทั้งๆ ท, ที่ให้ไดฟเฟินไปจำมือกันไว้แล้วทั้งสองคนเดินออกจากแคมป์ไปหาเฟินยิงดันถือลูกปืนปืนลูกซองไปได้แทนที่จะยิงมันให้อยู่หมัดกลับกลายเป็นว่ายิงยัว่วโทรศัพท์มันวิ่งไล่เข้ามาเหยียบพวกเราในแคมป์ผมนึกไม่ถึงเลยว่าหลังจากที่เราแอบเข้าไปดูมันแล้วมันจะเดินบ่ายหน้ามาทางแคมป์ของเราประม่าเริ่เรมเลิกไปหน่อยเหมือนกัน ความจริงผมควรจะย้อนกลับมาที่แคมป์เตือนพวกเราให้รู้ตัวไว้ว่ามีช้างตกมันมาป้วนเปี้ยนอยู่ในละแวกใกล้เคียงแลรพินพูดอย่างเสียใจชายันหันขวับมาถามว่าไหนเห็นเที่ยถามบอกว่าไอ้ตัวมหาการที่เกือบจะเหยียบผมแบบนี่คุณกับเขาเห็นมันมาก่อนแล้วงั้นหรือหัวหน้าคณะเดินทางหัวเราบเบาๆพยักหน้าแล้วเล่าให้ฟังโดยละเอียด ถึงตอนที่ระพินนำเขาเข้าไปแอบดูมันในระยะกระชั้นชิดเมื่อบ่ายที่แล้วมาทั้งชา ย, ยานและดาดินดูเรื่องโดยตลอดก็อาปากค้างไปปูโทชา ย, ยานร้องออกมาก็แกหรือระพินซัดมันให้สักป้องเดียวอตอนที่มันยืนพักอยู่นั่นพวกเราที่แคมป์นี้ก็คงไม่ต้องเดือดร้อนวิ่งกันโรมานอย่างนี้ก็ใครจะไปรู้เล่า ว, ว่ามันจะเดินตะลุยมาทางนี้แล้วก็เปิดฉากอารวาสขึ้น อุตสาห์ไว้ชีวิตมันแล้วมันไม่ไม่อยากฆ่ามันโดยไม่จำเป็นแช่ฐาพูดพราาหัวร้อพางแต่ดารินเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่พรานใหญ่ในทันทีที่พิชายเล่าเรื่องจบผู้เสียงต่ำๆนี่ในพานข้าหลังอย่าทำอะไรหามๆอย่างนั้นอีกนะมีอย่างหรือพาพิชา ย, ย่างชันคาน์เข้าไปดูช้างตกมันจนแทบจะเข้าไปมุดอยู่ใต้ท้องของมันอย่างนั้นคุณจะเก่งก็เก่งไปคนเดียว ทุระอะไรที่จะเอาชีวิตนายจ้างไปเสี่ยงเกินความจำเป็นถึงเพียงนั้นร้ายจังพรานใหญ่ไม่ได้โต้ตอบเช่นไรไขหูทำเป็นไม่ได้ยินรอนเสียเชิถาก็ตัดบทมาว่าเอาละเลิกวิตกวิจารหนูเถี ย, อยงอะไรกันเสถียรพวกเราไม่มีใครได้รับอันตรายก็เป็นบุญแล้วสนุกดีเหมือนกันวันนี้มีช้างมานอนอึดถืออยู่กลางแคมป์ของเราด้วยตัวหนึ่งค่านี้กินข้าวกันข้างซากช้างนี่แหละ ก่อนตะวันตกดินเล็กน้อยเกิดเซยและพวกลูกหาบกับเกรียนที่เดินทางไปเอาเนื้อกระทิงกับหนังเสือก็เดินทางกลับมาถึงแคมป์พอทุกคนที่เพิ่งจะกลับมามองเห็นซากเจ้าสีดอตัวมะฮุมานอนกองอยู่กลางบริเวณแคมป์กระโจมของนายจ้างก็พากันร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจและหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจก็รับทราบเรื่องราวโดยตลอดเชษฐาเรียกเกิดและเซยเข้ามาสอบถาม ทั้งสองรายงานว่าการเดินทางปกติเรียบร้อยดีไม่มีระแคะระคายใดๆของโ ข, ง, ขงไอ้แหวงทั้งสิ้นอาหารข้ำมมื้อนั้นทุกคนมีเรื่องที่จะสนทนากันมากมายเช่ฐถาเล่าให้น้องสาวและเพื่อนฟังถึงการพันตูอันน่าตื่นเต้นระหว่างเสือดำและเสือลายพาดกอนซึ่งแย่งเหยื่อซ่ากวางที่เขาไปประสบพบเห็นมากับตาตนเองพร้อมกับพานใหญ่รวมทั้งงาช้างกาจัดที่ได้มา ส่วนดารินกับชายยันก็นำเหตุการณ์ตอนนาทีวิกฤตตอนที่ช้างบุกเข้ามาใจกลางแคมป์มาเล่าอย่างสนุกสนานอีกครั้งตามภาพและความรู้สึกที่ต่างได้รับในขณะนั้นตลอดเวลาพรานใหญ่และพินคนเป็นคนเดียวที่สงบปากคำและฟังอยู่โดยสำรวมตามปกตินิสัยของเขาหน้าแปลกเหลือเกินชายยันเอ่อยอย่างทึ่งแง่าสายวิ่งไปสกัดหน้ามันแล้วตะหวาดลัานออกไปคำหนึ่ง มันชะงักรล่าวกับถูกเวทมนต์สะกดฉันและทุกคนเห็นกับตาในเหตุการณ์ตอนนั้นพอมันหยุดชะงักแง่ทรายก็ยิงเอาในระยะเผาขนตูมเดียวซุดเลยฉันไม่เข้าใจจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ว่าแง่ทรายมีอะไรดีถึงได้ตะหวาดเอามันหยุดให้ยิงอย่างง่ายๆอย่างนั้นหมอนี่มันมีอะไรพิ่ลึกพิ่ลึกอยู่นะจริงด้วยค่ะพี่ใหญ่มันหยุดชะงักเพราะแง่ทรายตะหวาดก่อนที่จะยิงมัน พวกเราทุกคนกำลังวิ่งหนีมันกระจัดกระจายแต่แง่า ย, ายกับวิ่งไปสกัดหน้ามันไว้ระยะที่ประจัดหน้ากันห่างนิดเดียวเท่านั้นดารินเอ่ยเสริมาอีกคนเพอราะลอนเห็นเหตุหการณ์ตอนนั้นด้วยความตื่นตรึงแทบไม่เชื่อสายตาเหมือนกันเชฐาเบิกตาฟังแล้วครางออกมาเบาๆในลาคออย่างพิสวงแปลกนี่แต่เท่าที่เคยรู้มาพวกกระเรียงมักจะมีอะไรดีๆอย่างนี้เสมอแหละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพรานช้างหรือยังไงประโยคหลังหันมาทางหระอปีนเหมือนจะขอความเห็นพรานใหญ่กล่าวขึ้นช้าๆว่าในวงการพรานพื้นเมืองที่เลื่อมใสอยู่ในเวทมนต์คาถาเขาก็เชื่อกันเต็มที่ทีเดียวครับเกี่ยวกับความรีรับมหัศจรรย์ของสยเวทที่นํามาใช้สําหรับป่าหรือสัตว์ป่าโดยเฉพาะมีการร่ําเรียนถ่ายทอดวิชาการและถือเป็นศาสตร์จําเป็นแขนงหนึ่ง ผมเคยได้ยินได้ฟังและได้เห็นมากับตาแล้วเหมือนกันคือพวกพรานพื้นเมืองเก่งๆตวาดช้างป่าที่กําลังวิ่งตรงรีเข้าใส่ให้หยุดชะงักแต่ส่วนที่ว่าภายหลังจากเมื่อมันได้หยุดชะงักลงแล้วมันจะรีเข้ามาเหยียบคนที่ตวาดมันหรือหันหลังกลับวิ่งหนีไปนั้นยังเป็นปัญหาอยู่บางคนตวาดที่มันหยุดแล้วยิงมันคว่ําลงส่วนบางคนพอตวาดมันหยุดลงแล้วแล้วก็ยิงมันแล้วแต่มันเกิดไม่อยู่ขึ้นมา คนตวาดก็วิ่งป่าราบไปเหมือนกันแล้วจอมพรานก็หัวเราบเบาๆกล่าวต่อมาด้วยน้ําเสียงเรียบร่าปกติว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องเวทมนตร์คาถาอะไรอยู่ให้งงเลยครับคิดถึงหลักความจริงดีกว่าสมมุติว่าช้างกำลังวิ่งรี่เข้าใส่เราถ้าเราตื่นตกใจแล้ววิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงมันกวดไล่เอาโดยไม่ยัง้งแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเกิดกล้าขึ้นมาขวางหน้ามันไว พร้อมกับส่งเสียงดังๆขึ้นเป็นธรรมดาหรือเกินในข้อที่ว่ามันจะต้องชะ ง, งักไปช่วขณะหนึ่งเหมือนกันอาจเป็นเพียงช่วงพริบตาเดียวเพราะอย่างน้อยที่สุดก็เท่ากับเป็นการทําให้มันตกใจประหลาดใจขึ้นอย่างกะทันหันหรือมิชินั้นก็เป็นการเบนความสนใจของมันให้มาจดจ่อกับเราเสียจงังหวะชั่วงเซียววินาทีที่มันชะ ง, งักนี่แหละครับมันจะเป็นเป้านิ่งที่สุดให้เราเลือกยิงเอาได้ตามสบายซึ่งท่าสติและกําลังใจของเราดีพอ ผมคิดว่าแง่ทายรู้ในความจริงข้อนี้และเข้าใจสัญชาตญาณของชา้างได้ดีประกอบกับที่จะต้องเป็นคนสติดีและกล้าหาญมากเป็นทุนเดิมอาจเกิดขึ้นเพราะเคยเป็นพารานราชช้างชำนาญมาก่อนสิ่งที่หมอแน่ใจว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือไรเฟินในมือประกอบกับฝีมือการยิงคงไม่ใช่แน่ใจในความศักดิ์สิทธิ์ของเวทมนต์คาถาในเสียงตวาดหรอกการตวาดเป็นแต่เพียงช่วยให้ช้างตัวนั้นชงัก เพื่อหมอจะได้เลือกยิงเอาในระยะประจันหน้าเผาขนอย่างสบายและในระยะขนาดนี้เป็นระยะที่แน่นอนที่สุดแต่อย่าถือเป็นกฎแน่นอนตายตัวลงไปนะครับว่าถ้าช้างป่าวิ่งไล่เข้ามาเราส่งเสียงตวาดดังๆแล้วมันจะหยุดชะงักเสมอไปมันแล้วแต่เป็นทีๆไปเหมือนกันแล้วก็ถ้าคิดอยากจะลองตวาดมันดูอย่างเงยสายบ้างก็อย่าได้ลิอ่านตวาดมันในขณะที่มือเปล่า หรือถือปืนเล็กเกินไปเป็นอันขาดอย่างน้อยก็สักขนาดจุด3 7หและไม่ว่ามันจะหยุดชะงักหรือไม่ก็ต้องยิงให้มันสุดภายในกระสุนนัดเดียวเพราะถ้ามันไม่รม้มเราก็แหลกมีอยู่เท่านั้นเองคณะนายจ้างทั้งสามหันมองดูตา ก, กันยังงุนงงในคำพูดแบบที่เล่นที่จริงของเขาเชษฐากกับชายยานพอจะเข้าใจตามที่พรานใหญ่อธิบายแต่สาหรับดารินยังไม่วายติดใจกังขา ข่อเนื่องมาจากที่ตนเองเคยเปเชิญกับความรีรับมหัศจรรย์และอาถรรพ์หน้าคิดต่างๆมากับตาแล้วเมื่อคืนที่ไปนั่งห้างกับพรานใหญ่หญิงสาวจ้องตาเขาเป๋งเหมือนจะค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วยักไหลยิ้มออกมาก่อยๆคุณหมายถึงว่าการตวาดของแง่สายให้ช้างตัวนั้นหยุดไม่ได้เกี่ยวกับสยศาสตร์คาถาคุมอะไรเลยใช่ไหมก็น่าจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรือครับ หรือว่าเดี๋ยวนี้แพทย์หญิงหม่อมราชวงหญิงดาเรนวราลิศนักศึกษามนุษยวิทยาที่กำลังจะทำปริญญาเอกเกิดเรื่มสายศรัทธาในเรื่องสา ย, ยเวทอาคมขึ้นมาเสร็จแล้วระพินย้อนถามหน้าตาเฉยหญิงสาวเรือกคิ้วน้อยๆสีหน้าอยู่ในอาการชังงงคลางแคลงอย่างไรบอกไม่ถูกพรานใหญ่สังเกตเห็นด้วยสายตาที่รอบพิจาราก็อมยิม้มเพราะถ่ายความรู้สึกของหญิงสาวถูกไม่กล่าวเช่นไรอีก แก้งทิ้งเป็นปริศนาให้นักวิทยาศาสตร์อย่างหลอนขบคิดเล่นทำไมน้อยสงสัยอะไรหรือถึงได้ถามรพินยอย่างนั้นพี่ชายหันไปถามดารินสันศรีษะ ต, ตอบอ้อมแอมว่ า, ปาวเปล่าหรกค้าไม่มีอะไรแล้วหลอนก็นิ่งเงียบไปไม่ได้ปิดปากพูดคำใดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกขณะที่ทุกคนดื่มกาแฟและสูบบุหรีหลังอาหารเชีาก็หันมาหารือกรานใหญ่ถึงแผนการตามติดไอแหวง ซึ่งจะเริ่มต้นจริงจังในวันรุ่งขึ้นอีกครั้งและพินแนะนำให้คณะนายจ้างของเขาทั้งสามได้ศึกษาถึงตำแหน่งอันควรที่จะวางกระสุนในการล่าช้างเพื่อให้ทุกคนขึ้นใจยิ่งขึ้นโดยเชิญทั้งสามออกมาที่ซากช้างสีดอที่นอนตายอยู่กลางแคมป์ใกล้เต็น์อธิบายและชี้ของจริงให้เห็นการล่าช้างเป็นเกมเสี่ยงอันตรายมากที่สุดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช้างโขงที่ชราและดุร้ายที่สุดอย่างไอแหว่งอันเป็นจุดหมายของเราแต่อย่างที่ผมได้เรียนไว้แล้วนั่นแหละครับคือสติกำลังใจอย่างหนึ่งอนุภาพของปืนดีอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีทั้งสองอย่างนี้ประกอบกันได้ครบถ้วนแล้วไม่มีอะไรจะต้องวิตกเลยแม้ว่าจะเป็นการพบแบบปอดจันหน้าโจนตัวสักเท่าไหร่และเท่าที่ได้เคยไปจนผ่านกันมาบ้างแล้วทําให้ผมเชื่อได้ไว้วางใจในคุณทั้งสามอย่างเต็มเปี่ยม สำหรับพี่ใหญ่กับชายยันนะไม่มีปัญหาหรอกว่าแต่ว่าดาดินเอ่ยขึ้นเบาๆยิ้มมุมปากมองประสานสายตาเขาฉันนะ่ะคุณไว้วางใจแน่หรือถ้าคุณหญิงไม่ไดื้อปฏิบัติตามข้อแนะนำของผมอย่างเคร่งครัดสี อ, อย่างเดียวเท่านั้นก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยสำหรับรายการนี้พรานใหญ่บอกตามตรงเอาละ ฉันสัญญาว่าจะพยายามไม่นอกรีดนอกรอยของคุณในการร่วมติดตามไอ้แหงคงครั้งนี้ขอบคุณครับเข้าใจกันได้อย่างนี้ผมก็สบายใจขึ้นมากทีเดียวผมเชื่อในฝีมือและความกล้าหาญของคุณหญิงแต่ไม่ค่อยเชื่อในความว่าง่ายเลยนี่เป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่อยู่ระหว่างภัยอันตรายไว้ใจเธอบอกแ้ไงว่าจะพยายามเป็นลูกแถวที่ดีของคุณ อธิบายถึงวิธียิงตืนดีกว่าในด้านตรงส่วนหน้าย้ำมาหลายครั้งแล้วครับจุดตายคือเนินน้ำเต้าพรานใหญ่บอกใช้ไม้ยาวชี้ให้ดูของจริงที่นอนตะ ง, งานเนื้อม่ขอให้สังเกตดูที่บาดแผลที่เงซายยิงไว้ให้เห็นเป็นตัวอย่างนี่กระสุนของแงซายนัดนี้เป็นกระสุนประการศิษฐ์ที่เฉียบขาดที่สุดเพราะเข้าจุดดับของมันพอดีบ ร, ริเวณส่วนนี้จะเป็นกะโหลก ส่วนที่บอบางที่สุดได้นำเข้าไปสู่ที่ตั้งของสมองส่วนใหญ่เป้าหมายของมันอยู่เหนือโคนงวงขึ้นไปเล็กน้อยระวังให้ดีนะครับเป้ามันไม่ใหญ่โตอะไรนะักอาจพลาดได้โดยง่ายกระสุนจะต้องจับเข้าพอเหมาะพอเจาะในบริเวณจากัดส่วนนี้เท่านั้นถ้าเลยสูงขึ้นไปแม้จะมองได้สายตาผาดผ่าดว่าทะลุสมองของมันก็จริงแต่กระโหลกหัวส่วนบนของมันเป็นบริเวณโพรงอากาศที่ว่าง ต่อให้กระสุนทารุหรือฝังเข้าไปก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้ามันวิ่งสวนเรามามันก็ถึงตัวเราแน่ๆวิธีเร่งกะเผื่อประมาณหกนิ้วเหนือโคนงวงขึ้นไปถ้ากระสุนเข้าถูกที่ต่อให้มันกาลังจะใช้งวงจับเราอยู่แล้วมันก็จะหยุดชะงักและซุดทัวลงในทันทีการยิงสวนหน้าก็มีที่หมายให้เรื่อกยิงจำกัดอยู่เพียงสวนเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าไม่จำเป็นอย่าพยายามเป็นอันขาด ด้านข้างล่ะชัยยันถามยังต้องการศึกษาเต็มที่ถ้าด้านข้างและมีโอกาสที่จะเห็นส่วนหัวได้บริเวณที่จะปล่อยกระสุนเข้าไปยังส่วนหัวมีอยู่สองที่จุดแรกรูหูหรือ ก, กกหูก็ได้ทั้งสองอย่างจุดที่สองก็คือขมับหรือบริเวณว่างระหว่างหูกับตานั่นคือการยิงตัดสมองเหมือนกันลองลงมาก็สะบากหรือช่วงไหลเป็นการตัดกําลัง และหยุดการเคลื่อนที่โดยว่องไวของมันได้ดีที่สุดช้างเป็นสัตว์ใหญ่ถ้าขาหน้าหักเสียข้างหนึ่งมันจะเคลื่อนที่ไปด้วยความลาบากและช้าลงมากกระดูกสันหลังเป็นจุดตายสําคัญอีกจุดหนึ่งถ้าแน่ใจว่าจะยิงได้ถูกโดยไม่พลาดก็เป็นเป้าหมายที่ควรยิงแต่รู้สึกว่าจะมีโอกาสพลาดได้ง่ายบริเวณรักแร้แดงหรือส่วนนอกเป็นจุดหมายรองลงมาถ้าปืนเล็กเกินไปก็ไม่ควรจะยิงบริเวณดังกล่าวนี้เลย ทีนี้ถ้ามันหันหลังให้เราเป็นมุมตรงเลยล่ะนี่แปลว่าเราหมดโอกาสที่จะยิงมันให้อยู่เลยหรือเชิดถาถามมาบ้างจอมพรานหัวเราะที่ไหนได้ครับถ้ามันหันหลังให้เราเป็นมุมตรงไม่ว่าโดยการยืนเผลอตัวเพราะเราคานเข้าไปทางด้านหลังของมันหรือ เ, เพราะมันวิน่งหนีก็ตามเท่ากับมันเปิดจุดอ่อนสําคัญยิ่งอีกชนิดหนึ่งให้กับเราอีกครั้งแต่ก็เป็นจุดที่จํากัดพอๆกับน้ําเต้าด้านหน้า เลงไปที่โคนหางครับกระสุนจะเจาะร้อยเข้าไปในทวารอยู่เหมือนกันแต่ต้องหมายความว่ามันกับเราอยู่ในทิศทางที่เป็นมุมตรงเส้นตรงจริงๆถ้าเบนเฉียงเล็กน้อยก็พยายามวางแนวกระสุนให้ร้อยตะพ่อผ่านทะุเข้าไปกลางลําตัวหรือถ้าไม่ได้ที่หมายสำคัญอะไรเลยยิงตัดขาหลังก็ได้แล้วค่อยซ้ำเพราะอย่างที่บอกแล้วช้างถ้าขาหักไปสีข้างหนึ่งมันจะอืดลงมาก สิ่งที่ควรจะจำไว้อีกก็คือยิงใกล้เท่าไหร่ก็ได้ผลศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเท่านั้นในขณะเดียวกันก็เสี่ยงมากขึ้นเป็นเงาตามตัวในกรณีที่พลาดและสัญชาตญาณของช้างทั่วๆไปแล้วเมื่อถูกยิงมักจะบ่ายหน้าหนีมากกว่าจะคิดสู้ถ้าเห็นมันซุดลงอย่าชราใจอาจพูดพลาดลุกขึ้นมาได้อีกแล้ววิ่งเข้าใส่เมื่อเห็นซุดต้องซ้ำทันทีจนกว่าจะแน่ใจ หรือจนกว่าจะเห็นมันล้มตะแคงลงไปแล้วถ้าถูกไล่อย่ายืนปากลากลักหนีพรางยิงพรางโดยพยายามหลบเข้าหาที่กำบังขอบคุณมากที่ให้รายละเอียดอย่างกระจ่างชัดที่สุดคบกับพานมาหลายคนแล้วพวกนั้นไม่เคยให้ความรู้อย่างคุณเลยเชื่อถาว่าแล้วชวนกลับเข้าไปดื่มกาแฟในเต็นท์อีกครั้งชี้ไปที่ราวปืนอันมีไรเฟิ่ขนาดหนักวางเรียงอยู่เป็นตับตกไล่พลานใหญ่ สึกใหญ่กับไอ้แหว่งครั้งนี้คุณเลือกเอาตามใจชอบเลยนะพินถนัดใจกระบอกไหนก็เอาไปจอมพรานสั่นศีษะยิ้มอ่อนโยนไม่หรอกครับปืนขนาดใหญ่ที่ผมไม่เคยแตะต้องหรือถนัดมาก่อนมีความหมายสู้ปืนขนาดกลางที่เคยรู้ทิศทางและชินมือมาดีแล้วของผมไม่ได้แปลว่าคุณจะใช้จุด3 7มห S&S Magnum กระบอกเดิมของคุณ ก็ศูนย์หัวแข็งน้ำหนักสา0ร้อยเกรนความเร็วต้นสองพันห้าห้าสิบฟุตต่อวินาทีแรงประทะต้น4ี่พันสามร้อสาสิบฟุตเปล่าผมพอจะให้ความไว้วางใจมันได้แล้วครับืมมือขนาดคูณจุดสมเจ็ดห้าก็พอเพียงถงไปนะทางพวกผมตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้วชายยันเขาขอจองจุด6 0ศนไนโตรของผมส่วนผมจะเปลี่ยนมาใช้จุดสห้าแปดของเขาเอง น้อยมีจุด470ริกบี้แต่ยังสงสัยว่าน้อยจะยิงไหวหรือเปล่าเท่านั้นถึงไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะพี่ใหญ่ถ้าประจันหน้ากับไอ้แหวงเข้าน้องสาร้องบอกมาคว้าไห่เฟิลแฝจุด4 7่ขึ้นมาจากราวหักํำกล้องเอากระสุนออกแล้วทดลองจับโยนไปโยนมาสลับมือช่างหาน้ำหนักและลองซ้อมประทับเพลงพระพนมองดูอย่างพิสวงและคนทึ่งยอมรับสารภาพกับตัวเองว่า ยังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสันทัดจัดเจนในเรื่องปืนผาหน้าไม้เท่ากับน้องสาวแสนสวยของนายจ้างของเขาคนนี้มาก่อนเลยหล่อนน่าจะเกิดมาเป็นผู้ชายสิมากกว่าเชษฐาชายยันต่างก็หยิบไรเฟิลคู่มือของตนที่ต่าเตรียมไว้สําหรับเผชิญหน้ากับโขงไอ้แหว่งขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งหรือหีบกระสุนออกมาคัดเลือกชนิดของกระสุนที่ต้องการตลอดเวลารัพินมองดูเงียบเงียบเขาไม่สนใจกับดับเบิลไรเฟื่อนจุดหกนย์ศในโต ซึ่งชายยานเลือกเป็นปืนประจำมือเพราะถึงอย่างไรมันก็เป็นปืนร่าสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์จะพึงประดิษฐ์ขึ้นมาได้ซึ่งตามทัศนะของเขาแล้วกระสุนที่มีแคริเบอร์ขนาดนี้น่าจะใช้ยิงรถถังหรือยิงเครื่องบินมากกว่าที่จะใช้ยิงสัตว์และมันก็มีลักษณะเป็นเครื่องปุกปอบขวัญของผู้ถือเสียมากกว่าที่จะใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการล่าแท้จริงอนุภาพของมันเขาก็เคยเห็นประจักษ์ชัดตามาแล้ว ตอนที่เชดิดายิงในขณะที่เขาพาคลานเข้าไปกลางโขงไอ้แหว่งเมื่อสามสวันก่อนนี้คนร่างใหญ่ขนาด6กฟุตเช่นเชดิดาน้ำหนักตัว80ิกว่ากิโลก ร, รมัมก็ยังเซถอยหลังเมื่อกระสุนระเบิดผ่านลำก้องออกไปนั่นเป็นการยิงในระยะประจันหน้าเผาขนซึ่งถ้าหากเป็นการเล็งยิงในระยะห่างออกไปก็ไม่มีหลักประกันใดๆจะมารับรองได้ว่าผู้ยิงจะสามารถควบคุมวิถีกระสุนเอาไว้ได้ อันเนื่องมาจากแรงสะท้อนถอยหลังที่จะออกที่ออกจะเกินกำลังต้านทานของมนุษย์รายเฉลี่ยทั่วๆไปในทางตรงกันข้ามเขาคิดว่าการเลือกของหม่อมราชวงศ์เชษฐาที่เอาขนาดจุดสี่ห้าแปดแมกนัมเป็นการเลือกที่ถูกต้องที่สุดพลานใหญ่เดินเข้ามาหยิบไรเฟิลกระบอกนั้นขึ้นมารูปคำอย่างสนใจโดยถือโอกาสตอนที่เชษฐาวางพิงไว้กับสาวกลางกระโจม ความจริงเขาเคยถือปืนกระบอกนี้หลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยได้ยิงด้วยตนเองแม้แต่ครั้งเดียวเพราะยังไม่มีโอกาสนอกจากจะเคยเห็นชายยานยิงจึงคเนดได้จากอนุภาพของมันด้วยสายตาอันชำนาญคิดอยู่ในใจว่ามันน่าจะเป็นปืนราสัตว์ใหญ่ที่กระทัดรัดและสมควรที่สุดเหนือกว่าขนาดอื่นๆที่มีกระสุนใหญ่กว่าขึ้นไปโดยไม่จาเป็นมันเป็นปืนโมเดน70ผลิตโดยบริษัทวินเชสเตอร์ อันเป็นปืนร่สัตว์ใหญ่ที่ผลิตออกมาสู่วงการปืนไรเฟิลขนาดหนักหลังสุดเมื่อไม่นานมานี้เองสำหรับพิชิตสัตว์ใหญ่ในการลัทวีปโดยเฉพาะนับตั้งแต่ควายป่าแรดขึ้นไปจนกระทั่งช้างแอฟริกันเช่ดฐาหันมาเห็นจอมพรานรูปรู ป, ร ป, รปคลำๆอยู่ก็เดินยิ้มเข้ามาตบหลเป็นยังไงถ้าทางจะชอบใจมันมากวิช่หรือ กระแทกรัาดน่าใช้ที่สุดครับในบรรดาไราเฟิลขนาดหนักทั้งหลายที่ผมเคยเห็นมาพร้อมกับพืมพัมระพิณกระชากลูกเรือนสลัดกระสุนที่คาอยู่ในลากล้องกระเด็นหบือออกมาแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งรับไว้ก่อนที่ลูกปืนนัดนั้นจะตกถึงพื้นหยิบขึ้นพิจารณาดูด้วยความพอใจแต่ก่อนนี้ถ้าเป็นไรเฟิลล่าสัตว์ใหญ่ก็ต้องหมายถึงดับเบิลไรเฟิลของยุโรปทั้งนั้นลิกบี้ของอังกฤษโดยจะมีชื่อเสียงที่สุดตั้งแต่วินเชสเตอร์ ของอเมริกันผลิตจ4 5 8โมเดล70กระบอกนี้ขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้ไรเฟิแฟตอันมีชื่อของยุโรปอายไปเลยไม่มีทางเทียบไม่ว่าจะเป็นอนุภาพหยุดยั้งหรือวิธีอันแม่นยำทั้งๆที่หน้าตัดของหัวกระสุนเล็กกว่า